ูเวรยชนให้เข้าถึงพระาราชนทรัยกันได้อย่างไรนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือแรงโดนบรรดาใจใดๆที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เราระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วเกิดความทราบซึ้งตรึงใจเป็นหลักในการดำเนินในการที่จะกอบคู่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าให้พื้นภู ก, กลับมาเพื่อประชุมในจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้ให้เกิดความห่ารกล้าในการที่จะดาเนิน เตือนตามรอยบาทภพระศาสดานำพาดนเองให้เข้าถึงความสิ้นจากกิเลสและกองทุกตามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรูสงร์เป็นต้นเหล่านั้นได้อย่างนี้พอจะไปเตืนได้ไหมทีนี้อนสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่เราก็จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงบากบันในการที่จะนำ ประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าก็ไม่เห็นแก่ไม่ทรงเห็นแก่เด็ดยเป็นเหนื่อยในการที่จะทํากิจของพระบรมศาสดาแต่แม้แต่จะเสบบะด็จกลับขันธปรินิพานพระองค์ก็จะตัดเป็นปชิมโอวาดไว้ว่าขันธานี้พิกเวอามัญกยามิโววายธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถักในพุทธธรรมรัตนี้ตัดเป็นสองตอนเหมือนกันพูดทั้งบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้พูดถึงหลักของความจริงพูดถึงกฎไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นปตามเหตุปัจจัยอันนี้ไม่ใช่หลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลักความจริงในประการที่หนึ่งประการที่สองบอกว่าอัภิมาเทนะสัมปาเทถักอันนี้แปลว่าท่านทั้งหลายเมื่อพัฒนาปัญญาไปเห็นความจริงในข้อนี้แล้วท่านทั้งหลายจงยังตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นหลักปฏิบัติ ตนไม่มีศีลก็ดําเนินตนที่มีศีลตนไม่มีสมาธิก็ทําตนเอง ม, มีสมาธิตนไม่มีปัญญาก็ทําตนที่มีปัญญาเมื่อทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในตนแล้วก็พัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือมีสติกํา ก, กับอยู่แล้วก็พัฒนากระแสะชีวิตของตัวเองให้ให้ไปไประชุมในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เข้าไปเห็นไตรละแล้วก็ถ่ายถอนความประมาทหรือกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกระแสะชีวิต ก็จะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นต้นได้อันนี้คือหลักการที่พระเจ้าวางไว้ก่อนที่จะปรินิพพานใช่ไหมหลังจากที่พระริยาปฏินิพพานแล้วเนี่ยกลุ่มภาษาวกทําอะไรกันโอ้ยตื่นตัวรึไหมตื่นตัวอย่างมากมีามากพระมหากระศกเป็นต้นเป็นประฐานก็ประชมุมหลังจากทำํำศรีรลกิจก็คือมีการเผาพระบรมศพพระริ้าและแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจบภายใน21วันแล้ว หลังจากนั้นพระหมหากระสนก็ประชุมเขาจะร้อยกองพระธรรมวินัยว่าถือเอาจักรจัจย า, จายี่เนี้ยคาสอนพระเจ้าจะไม่รวมกันเป็นหมวดเป็นหมู่จะไม่เจริญรุ่งเรืองจะไม่เป็นประโยชน์แก่คนนี้เป็นประโยชน์แก่รุชนรุ่นหลังก็เลยนัดประชุมกันแล้วก็นัดว่าในพรรษานี้จะไปประชุมกันที่ฟ้านมาคตแล้วก็จะไปประชุมพระธรรมปฐมสังขานากันที่ ท่าสัตบัญญครูหาภูเขาเวพาระบัรพดและเพราะท่านก็ทำกัได้จริงๆก็มีพระเจ้าชาติตัวเป็นผู้อุปถมัมภ์ทางด้านฝ่ายเป็นประธานไปคาราว่าพระก็ทํากันอยู่สมเดือนก็สามาร ถ, ร, ถาร้อยกองก็ทํารมวินัยรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อไม่ให้กระจัดกระจายและได้เป็นประโยชน์แก่อุทชนรุ่นหลั ง, งนี้เป็นต้นอันนี้คือการตื่นตัวกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ไล่ามาตามลําดับจนถึง สรุป ก, ก็คือมาถึงยุคของพระเจ้าโสกหลังจากพุทธกรรนิพพานแล300้ว0 0รอปีพระเจ้าโสมหาราชเนี่ยในยุคนั้ น, น่ะพุทธศาสนาแพร่หลายไปทั่วพุลูทวีบเต็มไปหมดแล้วตามหัวเมืองต่างๆก็มีการมีพระบรมสารีริกธาตุทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นฟนวัชชีไม่ว่าจะเป็น ฟ, า น, า, นฟานมาคตไม่จะไม่ว่าจะเป็นการโกศลไม่ว่าจะเป็นเอ่อฟานฟานส ก, กัด มีพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าไปประเดษ ส, สถานอยู่มีพระธเจดีย์ทั้งหลายปรากฏอยู่พอสมควรพอถึงยุคพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกก็แผ่พระราชอำนาจขึ้นมาได้ปกครองขึ้นมาก็พร้อมได้หมู่ภิกษุสงฆ์ mm hmm. ก็ไปเอาพระบรมสารีริกธาตุเหล่า น, นันะ้นที่จริงเนี่ยยุคของพระเจ้าชาติสตูพอยุคปลายยุคเนี่ยพระเจ้าชาติูพร้อมได้พระมหากระศกไป ขุดเอาพวรวมสาลีเลกนาท่ส่วนใหญ่นะามารวมไว้ที่เดียวแล้วก็มาฝังไว้พอยุคอีก300รปีพระเจ้าโสมหาลาาก็มาค้นพบตรงนี้เจอแล้วก็มีศิลาจารึกถึงท่านเลยแล้วท่านก็เอาพวรวมสาลีลรลกนาท่าตหนี้ประดุจังเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระจายไปตามที่ต่างๆแล้วท่านก็ตั้งคณะนิมนต์พระคณะสงฆ์อีก เก้าสายแล้วก็นําพร้อมด้วยนำพระบรมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเลยเนี่ยพุทธศาสนาจะ่แผ่ขยายทั่วโลกก็คือนี่แหละโดยการมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นหัวใจหลักเป็นจุดหลักเป็นประดุดดำของพระพุทธเจ้าแล้วหมู่ภิกษุสงฆ์ก็นําพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปไปตามที่ต่างๆแล้วก็ปรรจุไว้ในพระเจดี ในเมืองต่างๆในประเทศต่างๆในที่ต่างๆที่ข้าเหล่านั้นไปกันไม่ว่าจะเป็นลังกาไม่ว่าจะเป็นสวนอาภูมิหรือไม่ว่าจะเป็นตามควาสต่างๆมากมายฉะพุทธศาสนาก็วิ่งออกจากชมพูทวีปเข้าสู่ต่างประเทศต่างๆแม้ไปถึงจีนก็ถึงใช่ไหมจเจริญรุ่งเรืองมากมายเลยนะแล้วก็ทางประเทศเราหรือไปายศรีลังกาทั้งหลายเลยเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพ ม, ม่าเอยลังกาเลยกัมพูชาเลยประเทศลาวเลยประเทศ ไม่ว่าจะในยุคนั้นน่ะไปจนถึงอินโดนีเซียเอ่ยมาเลเซียเอ่ยทั้งด้านของศิลปิน์ทั้งหลายเหล่นีพุทธศาสนาแผ่ปกคุมหมดเลยแต่ส่วนภูมิทั้งหมดเราก็จะเห็นนี้คืออะไรเนี่ยเกิดจากการผนึกกำลังกันในการประกาศที่จะนำพาพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะของพระบรมสารีธิกาธาตและก็บาทธมอยู่ในฐานะของบาทธม ถ้าทำไมื่นสีพันกรทำอาคารนั่นแนหะก็จาริตในการที่จะโปรดเวนัยศัสตร์หมุนเข้าสู่กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทําให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มน้ํำเมงพระธรรมได้เอาน้ํำเมงพระธรรมราชาดลดกระแสชีวิตจากการที่สัตว์ทั้งหลายเร่าร้อนด้วยกิเลสกิเลสเหล่า น, นั้นก็สงบะนะครับก็เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายและแก่ ช, ชาวโลกเป็นนั้นมากอย่างนี้เป็นตน้นนี่เริ่มมองเห็นไหมและบางยุคบางสมัยพุทธศาสตร์นาะก็เสื่อมลง แล้วก็มีการกอบกู้กันขึ้นมาใหม่นี่เป็นต้นงนั้นถ้าหากมองนี้ก็จะเห็นอพอมาถึงยุคสมัยพศออเป็นพันปีเช่นพันหนึ่งเจดสกว่าเนี้ยอันนี้มายุกของพระถังสังจังแล้วสมัยพระเจ้าทังถั ง, งในละโชงถังังไทจงห้องเจ็ดเตน พระธรรมสำจามกจาริกจากจีนที่จะมาศึกษาพุทธศาสนาในชมพูทวีปเวลาเดินทางมาเนี่ยต้องเดินทางรอนแลมด้วยความยากลําบากไหมต้องเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันไหมในยุคนั้นยากลําบากมากาพระภิกษุก่อนหน้านั้นเน่ยเดินทางจากจีนเนี่ยเพื่อจะมาศึกษาพุทธธรรมในชมพูทวีปเนี่ยมากันเป็นเรือนพัน 90% นเสียชีวิตในระหว่างทางเหลือประมาณ 10% เพราะอะไรเพราะจะต้องผ่านทะเลทรายเดินผ่านภูเขาผ่านหิมะกว่าจะมาถึงอินเดียพากันล้มหายตายจากกันแต่เขาเขาอุทิศชีวิตในการที่จะศึกษาพุทธรรมคําสอนของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าเสเด็จประทับอยู่หน้าที่ไหนทั้งๆ ท, ที่อยู่ในฐานะเป็นพ่อปรมสารีเลขาธิกานหรืออยู่ในฐานะของพระธรรมคําสอนเขาจะจาริกขึ้นไปเฝ้าไปศึกษาเพื่อจะไป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 ตอนนั้นนะ่ยท่านก็เอากลับร่วมพระภิกษุสงฆ์ที่จีนเนี่ยนัดกันเป็น10บลกูลกยี่ิลูกแต่พออยู่ต่อมาในยุคนั้นพระจอมปิตินห้าออกนอกประเทศข้ามคนในออกคนนอกเข้าพระเหล่านั้นก็พากันไม่กลา้าขับคําสั่งมีท่านโรงเดียวคือพระถังซำจังเนี่ยท่านโดยสนท่านได้ตั้งปฏิญญาไว้ว่าท่านจะต้องเดินทางไปชมพูทวีปไปศึกษาคําสอนพระเจ้าไม่ได้ตายก็ไม่เสียดายชีวิตท่านก็เดินทางมารูปเดียว ใช่ไหมก็สามารถผ่านภูเขาผ่านทะเลสาบเไปเผ่านทะเลทรายแล้วก็เข้ามาชมพูทวีปมาศึกษาพุทธศาสนาและท่านก็เขียนจดหมายเหตุแล้ท่านไปที่ไหนบ้างเป็นต้นแล้วท่านก็มาศึกษาที่วิทยาลัยนารันทาจนจบเมื่อจบ เ, เสร็จแล้วท่านก็เผยแผ่สอนอยู่ในอินเดียเป็นเหตุให้กษัตริย์ในอินเดียเน่ยสิปประเทศในยุคนั้น นักถือต่างก็แย่งกันในการที่จะเป็นโยมอุปถักท่านอย่างนี้เป็นตน้นนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากและที่ส่วนจริท่านกะจาริกกับจีนแล้วก็นำพุทธนำคำสอนภาคศาษาภาษาสันสกฤตมาแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็มีคำพีพุทธศาสนาภาษาจีนมากมายมายุคหลังๆเนี่ยในจีนเนี่ยมีภิกษุเนี่ยที่อยู่ในประเทศจีนมีวัดอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นหกมวัด นึกเป็นกับเจ็ดเป็นแสนวัดแล้วมีภิกษุสงฆ์ไม่ต่ำกว่าสองล้านลูกอันนี้คือความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เดี๋ยวก็ซุดซอมเดี๋ยวก็เจริญขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นจากการที่เราพุทธศาสนาเนี่ยกว่าจะมาถึงพวกเราได้เนี่ยต้องฝ่าฟันมาทั้งนั้นไม่ได้มาด้วยไม่ได้ลอยด้วยดอกกลีบกุหลาบเลยนะมีหนามจะไม่หมดฉะนั้นแต่ว่ามาถึงยุคพวกเราเนี่ยเป็นยุคสวยผล แต่ทั้งๆ่ที่เราเห็นร่องรอยของพุทธเจดีพุทธสถานทั้งหลายเนี่ยซุดทรงเสร็จแล้วเนี่ยแต่เราไม่สามารถมายุคหลังเนี่ยคนในยุคหลังไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเอามายุคถึงสมองสองพันกว่าปีในยุคของท่านธรรมปารักอนาคาริกธรรมปารักอันนี้เราแบบคร่าวๆถ้าเราทั้งหมดเป็นเรื่องยาวอนาคาริกธรรมปารักเนี่ยท่านเป็นชาวลังกาสีลังกา ท่านศึกษาพุทธศาสนาที่หลังแต่ก่อนท่านก็ศึกษาเรื่องคลิป ต, ตอนนั้นเน่ยอังกฤษก็ดีกขาปกครองรลังกาท่านก็มีอิทธิพลจากอังกฤษก็ทําท่านศึกษาคริสตศาสนาเป็นต้นเลเนี่ยแต่ต่อมาท่านก็มาทราบซึ่งในคําสอนของพระเจ้าแล้วท่านก็เลยมีจิตคิดอยากจะฟื้นฟูพุทธศาสนาในลังกาเป็นต้นด้วยแล้วท่านก็ต่อสู้มาเป็นตามลำดับ แล้วท่านมีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วต่อมาท่านก็ไปรู้จักค้าที่ญี่ปุ่นชื่อว่าท่านโคเซนคุณรัตนะแล้วต่อมาท่านก็ทั้งสองท่านเนี่ยนาคาริศเนี่ยต่อมาเนี่ท่านเป็นคารวาสนะแต่ท่านใส่ชุดขาวสมาทานเป็นผู้ิมีเรือนเป็นประดุจดังนักบวชนี่แหละแต่อยู่ในประเภทของคารวาสแล้วท่านมากับพระภิกษุที่เป็นคนชาตญี่ปุ่นท่านก็พากันเดินทางมาที่พุทธกยา ในยุคนั้นก็อยู่ประมาณพุพทธศักราช 2,434 ก็อยู่ประมาณคริสตศักราชก็ 1,891 ดงนั้นท่านมาเนี่ยท่านมาต้องการอยากจะมาที่มาทุภูมามาเมืองพุทธเจ้ามาสถานที่พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นต้นอันเนี้ยท่านก็ไปที่สารนาแล้วก็เดินทางมาตามลําดับและท่านก็มาที่พุทธคยาตอนนั้นนะ่ยพุทธคยาเนี่ยตน ทางต่างชาติต่างศ า, า, าสนาเนี่ยเครอบงำคือพวกกลุ่มอหารพวกคินดูเนี่ยครอบครองสถานที่ตรงนั้นแล้วก็ในยุคประมาณ 7-800 ปีเนี่ยตอนในมุสลิมเ ต, เตอร์เข้ามาก็ทำลายพุทธศาสนาเลี่ยนเกลี้ยงหมดพุทธเจดีทั้งหลายแม้สถานที่พุทธคยาแต่ก่อนมีฟิกษุอยู่เป็นจำนวนกันเป็น3 0 0พันส0ันรูปวัดวารามใหญ่ตโตมหานก็โดนไฟเผา เนราบคาบเจดุงจะดีทั้งหลายพังละเนละนาทเปเสร็จแล้วก็กองคนเดินดื้ตอนนั้นก็มีสถานที่ต่างๆที่ยังไม่ถูกทำลายก็ยังมีอยู่ตอนนั้นที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านไม่เห็นท่านก็สังเวชสลดใจว่าโหเนี่ยสถานที่พาาระเจ้าทัรนุนรัตสัมมาสพรยายนเนี่ยกับถูกตังาศาสนาย่มยีมาครอบงาชาพุทธไม่มีโอกาส พยายามจะมาฟื้นฟูกันมายุคกี่ยุคกี่สมัยก็โดนกีดกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะท่านมาเห็นท่านก็คุยกับพระเนี่ยว่าเราจะต่อสู้ไหมท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปที่สถานไปที่พระท่านวันชิระอาบคอหน้าผ่าของท่านเนี่ยจรต์ลงติดพระท่านวันชิระอาบท่านบอกอุเพงคาปิติกก็ลดแล่นขึ้นมาน้ำตาไหลขนพองสยองข้าวขึ้นมาว่า ที่นี้เป็นที่ตัสรุนุตตะสัมมาสัมปิยาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกดูกันไกลว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราจะเรียกร้องจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเรียกร้องเอาสถานที่ตรงนี้กลับคืนมาเป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ได้แม้อวัยวะแม้เลือดเลือดเนือ้อ แม้ชีวิตแม้ทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดจะหมดสิ้นอันตราธานไปท่านก็จะยอมสละแล้วถวายเป็นพุทธบูชาและท่านก็เริ่มพักอยู่กันที่นั่นแหละแล้วลก็ต่อสู้ทั้งเขียนจดหมายในทุกวันพิมพ์หนังสือเขียนจดหมายเรียกร้องส่งไปตามเมืองต่างๆประเทศต่า ง, างๆที่เป็นพุทธทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเป็นพุทธสมาคมมหาโพโซไซตี้ขึ้นมาเนี่ย แล้วก็จะรับการตั้งขึ้นนะกรุงโคล ombo ประเทศท่านไปตั้งที่ลังกาก่อนแล้วก็ท่านประธานนายกาสตุมังชราหมาเทล่าเป็นนายกสมาคมถ้ามีคนมาร่วมเยอะแลต่อไปก็เอาต่างชาติต่างๆทั้งหลายมาร่วมเป็นคณะกรรมการแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยแม้แต่ประเทศต่างๆเหล่านี้นะที่มาเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นประเทศลังกาประเทศกัมมา หรืตลอดถึงการัตตาเอ่ยจากจิตครองเลยจากอารัารกันเลยพูดแทนจากประเทศไทยนั้นน่ะถามว่าในยุคนั้นคือใครก็คือพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจันทระพัตยุทธาภรซึ่งเราก็ไม่รู้จักยุคนั้นสมัยรัชกาลที่ห้าอะไรต้อนอะไรถ้าเป็นคณะักรารการกั น, กนแล้วก็จริงๆก็นี้ก็ตัานเป็นแค่นักการการแต่คนที่ขับเคลื่อนจริงๆเกินาคาเล็กธรรมปาแนละ้วท่านโดน สารพัดโดนประทุสไลด์โดนทุบโดนตีหูมากมายเหลือเกินที่สุดจริงๆเี่เชื่อเห็นว่าแล้วในที่สุดจริงๆจากการที่ท่านก็เขียนเกฎหมายฉบับแล้วฉบับเปล่าฉบับแล้วเขียนถึงใครต่างๆเนี่ยต่อสู้ด้วยไปปตาตคถา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 จากคนคนหนึ่งที่ไปเห็นซากปรากาพังของพุทธคยาแต่ไม่ใช่เห็นแค่ซากปราคาพังนะแต่ได้เจาะเห็นพระจริยาคุณของพระ mm hmm. เจ้าเขีนพระสรีรคุณ mm hmm. เขียนพระพุทธคุณ mm hmm. และปราถนาอยากจะปลุกสถานที่ที่ประดุจ ต, ตายแล้วถูกทําลายขนาดนั้นให้มีจิตวิญญาณขึ้นมา mm hmm. ให้สร้างสถานที่เหล่านั้นให้อือ้อ mm hmm. เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้า ให้พระพุทธเจ้านั้นทํากิจในฐานะเป็นพระอราชศาสนาประกาศหลักการของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่ประกอบกองบุญของพุทธบริษัททั้งหลายให้ชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกทั้งหลายนั้นได้ไปณสถานที่เหล่านั้นบุคคลที่เขามีศรัทธาเดือดดังผู้มีมือได้ไปกรอบประรัตนะกรอบบำสีรัตนะสมาธิรัตนะแล้วก็ปัญญารัตนะไปกรอบเอศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้กรอบเอาพระรัตนาใจ หรือสิ่งที่มีค่าทนพุทธรัตนนาทั้งหลายมีค่าทั้งหมดใส่ห่วงกระแสจิตของเขาภระแสชีวิตของเขาเขาจะได้เป็นคนไม่ยากจนอริยทรัพย์นําเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์คือสัทพาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือความไม่ความละายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปทรัพย์คือข้อมูลคือสุตตะทรัพย์คือจารคือการสละกกิเลสทรัพย์คือปัญญาทั้งหลายเนี่ย อริยทรัพย์ภายในทั้งหลายเหล่านี้บุคคลคที่จะไปกรอบเอาทรัพย์เหล่านี้ได้บุคคลนั้นต้องมีศรัทธาคือต้องมีมือเหมือนกับมีเพชรนินจจินดาร่วงหล่นมาเนี่ยคนมือด้วนคนมือขุดเนี่ยไม่สามารถจะหยิบเอาทรัพย์มาใช้สอยเป็นประโยชน์ของตัวเองได้ชั้นใดถ้าคนไม่มีศรัทธาเขาไม่สามารถมากรอบหรือจับเอาทรัพย์คือพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนในพุทธศาสนาให้มาเป็นประโยชน์แก่กระแสช่วยของตัวเองได้ก็ฉะนั้นเหมือนกันท่านเห็นตรงนี้ ท่านก็เลยบอกว่าเอาละเราจะปลุกจิตวิญญาณสถานที่ตรงนี้พุทธสถานตรงนี้ให้มีจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วอาราธนาพระพุทธเจ้ามาประทับให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นพิตรัตสรุญุตระสัมมาสัมปรรจานของพระพุทธเจ้าให้หมู่อนาบัญชาร่าทั้งหลายไปแล้วเขาจะได้ไปเขามีศรัทธาเขามีมือเขาจะได้ไปกรอบเอาอาริยทรัพย์ภายในนําสู่กระแสใจกระแสชีวิตของเขาเขาจะได้ ด, ดําเนินเขาจะได้เป็นคนไม่ยากจน เขายากจนมานานแล้วไม่มีทรัพย์คือศรัทธาจะถึงปัญญาเป็นต้นเขาจึงเป็นคนอนาถาในสังสารวัตรเขาจึงเก็บปวดในสังสารวัตรเนี่ยท่านกระปลุกจิตวิญญาณขึ้นมาและที่สุดยิงปลุกได้ไหมได้คนไปเป็นเลือนล้านแต่ละปีเนี่ ย, ยชาวพุทธหลั่งไหลไ ป, ไปไปอะกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปใช้มือคือศรัทธากอดพระอริยรัพย์เขาไม่มีความเชื่อมั่นไปที่ท่านเขาเกิดความเชื่อมั่น เขาไม่มีความลวกล้าไปที่นั่นเขาได้ความลวกล้าเขาไม่มีสติไปที่นั่นเขาได้สติกลับขึ้นมาได้สมาธิได้ปัญญาได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาขับขึ้นมาและเขาก็มีหลักในการดําเนินชีวิตเป็นต้นฉะนั้นถ้าเราได้ตรงนี้ขึ้นมาเราจะรู้ว่าพระบรมศาลายิทธกทาพุทธเจดีทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเรามาเห็นในประเทศไทยทําไมเราไม่สามารถปลกจิตวิญญาณของคนไทยคนพุทธหรือว่า บุคคลที่มีอัธยาศัยเขาให้เขาตื่นขึ้นมานั้นเราก็ต้องมีมีความปากปั่นมีความมั่นตั้งมั่นมีความก้าวไปใจสู้ในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ให้เป็นพุทธสถานแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาฟังของพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าได้มีโอกาสทํากิจของพระศาสนาให้ให้พระธรรมหลั่งไหลในกระแสชีวิตของเขา เขาจะได้ออกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนเขาจะได้ความเข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพและเขาจะได้ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาซึ่งสัตว์โลกในปัจจุบันนี้เขาจะได้ความสุขแต่ละทีก็ไม่ต้องสุขต้องพึ่งพาต้องพึ่งพาอะไรพึ่งพาสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ต้องพึ่งพากิเลสต้องใส่รแต่การเข้าถึงพระอรหันต์ไตรเป็นความสุขที่เป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาเป็นความสุขที่ขจัดราคะโทสะโมหะ เขาถึงสุดจริตและเข้าถึงความเป็นเสรีภาพได้อย่างแท้จริงเขาจะมองเห็นได้ยังเราจะชัดเจนไหมมีอะไรจะถามต่อ 2,000 กว่าปีไม่ใช่หลังมาแล้วหลังมายกหลังหลังใช่ใช่ใช่ใชชงสิลป ก, กายฉนั้นกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยมันต้องต่อสู้ต้องมีความกล้าหาญต้องมีความบากไปไม่ใช่ได้มาด้วยความง่ายง่ กินของดีได้แล้วเนี่ยต้องอยากกลัวต่อความลำบากถ้าความลำบากนั้นมันเป็นของที่มีค่าที่สุดทำกลาที่จะเลยทั้งเกียรตวทีขนาดคนมนุษย์นยุคนี้สแสวงหาการมาคุณโอโหกระทุ้งเทียทั้งชีวิตทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้มีความหมายใดๆเลยแค่อยากจะได้เงินนะแค่นี้เองมนุษย์เนึิใช่ไล่ะ I hear yeah. you.